ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่4ี่บสองเรื่องอริยสัจก็พูดไปโดยย่อถือว่าจบไปขั้นหนึ่งแต่ก็มีแง่มุมที่น่าจะพูดอีกก็ามาทวนอีกอาจจะรู้สึกว่าซ้ำๆบ้างก็ถือว่าช่วยย้ำให้แม่น หรือให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนิธที่พูดไปแล้วก็คือโยงมาจากพระรัตนตรัยที่เราถือเอาเป็นสรณะว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรมะแล้วก็ทรงชี้ธรรมชี้ทางให้เราเราทั้งหลายอาศัายธรรมนั้นคือนำธรรมะนั้นมาใช้ประโยชน์ปฏิบัติตามก็จะ เป็นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าคือเราทั้งหลายหรือคนทั้งหลายที่ปฏิบัติตามนั่นก็เป็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเป็นจกนกระทั่งเป็นพุทธคือว่าเป็นพุทธที่ตรัสรู้ตามไม่ใช่เป็นสมมาสมพุทธที่เป็นผู้คนพบทีนี้ว่าเป็นอย่างพระพุทธเจ้าแม้ยังไม่ถึงที่สุดอยู่ในระหว่างการพัฒนาขึ้นไปก็เป็นอริยชน หรือเรียกว่าเป็นอริยบุคคลเป็นคนที่ประเสริฐหรือยังไม่ได้เป็นอาริยบุคคลก็ยังเป็นปุตตชนที่ดีงามเป็นกัลยาณ์นะปุตตชนผู้ที่พัฒนาตนเป็นอย่างพระพุทธเจ้าในแนวทางของพระพุทธเจ้านี้เป็นคนที่มีคุณสมบัติดีงามมากมายหลายประการก็จะมาประกอบกันเข้ารวมกันเข้าเป็นสังคมที่ดีงามร่วมกันสร้างสรรค์สังฆะขึ้นมาได้ อันนี้ก็คือหลักพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระประสงค์นี่ก็ได้พูดไปแล้วว่าในการที่จะให้เกิดผลสําเร็จอย่างนี้จนกระทั่งสร้างสังฆะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ต้องเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ตั้งต้นแต่รู้เข้าใจธรรมะเพื่อปฏิบัติให้ได้ผลอันนี้ธรรมะที่จะให้ปฏิบัติได้ผลธรรมะนั่นก็อยู่ที่ สิ่งทั้งหลายนั่นเองก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายคือความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราจะต้องรู้เข้าใจทีนี้สิ่งทั้งหลายที่เราก็ไปเกี่ยวข้องรวมทั้งตัวเราเองชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยภาวะข้งมันที่เราเรียกว่าธรรมะเนี่ยความเป็นไปสภาวะต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามันมี ความเกิดดับเป็นต้นไม่คงอยู่ในภาวะเดิมเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันดำรงอยู่ตามสภาพของมันไม่เป็นไปตามปรารถนาบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยในเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่แน่นอนว่ามันไม่อาจจะให้ความพึงพอใจโดยสมบูรณ์แก่เราได้เพราะภาวะเของมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันไม่ได้เป็นไปตามปรารถนาของเราอันนี้เป็นจุดสําคัญ คือเราพูดได้เลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถจะให้ความพึงพอใจแก่เราอย่างแท้จริงหรือโดยสมบูรณ์ได้เ <Yeah. S 1> พราะมันมีภาวะเข้ามันเป็นอันิจ้จางทุกขังนัดตายที่ว่ามาโดยเฉพาะเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมันด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเอาแต่ความอยากความปรารถนาความยึดความถือสาคัญมั่นหมาย คือตัณหาอุปาทานที่ตั้งอยู่บนฐานของอวิชชาเนี่ยเอาไปเกี่ยวข้องกับมันสัมพันธ์กับมันไม่ถูกต้องอันนี้เมื่อมันรุนเข้าไปสัมพันธ์ไม่ถูกต้องเอาแต่อวิชชาและเอาความอยากความหมายมั่นเข้าไปนี่นะก็พวหนึ่งก็หาทางออกเมื่อเกิดความทุกข์ความติดขัดบีบคั้นขึ้นมาก็ได้สิ่งกล่อมต่างๆในการที่จะให สนองความพึงพอใจนั้นโดยหลบเลี่ยงจากปัญหานะก็ได้สิ่งกล่อมประเภทต่างๆมากมายแม้แต่เรื่องอย่างเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจดนบันดาลที่จะมาช่วยให้ความหวังถึงแม้มันจะไม่สบายในปัจจุบันก็ยังมีหวังในอนาคตก็ได้ความสุขไปอย่างเมื่อจะออกไปทางวัตถุสิ่งเสพติดสุรายาเมา ซึ่งมีมาทุกยุคทุกสมัยและกำลังจะเกลื่อนกาดมากขึ้นในยุคนี้ก็ไปทาออกของมนุษย์ที่มีความทุกข์เยอะไม่สามารถจะแก้ปัญหาไม่สามารถจะปฏิบัติต่อชีวิตของตนและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาหรื อ, อยังมีประสิทธิธภาพหรื อ, อยังได้ผลดีอันนี้การกล่อมนี่มาช่วยให้แก้ปัญหาได้ นั่นก็เป็นเพียงว่าหลบปัญหาไปได้ชั่วคราวช่วคราวแล้วก็หมักหมมปัญหาให้มากขึ้นทําให้ทุกข์รุนแรงยิ่งขึ้นเหมือนยังคนเสพยาเสพติดเนี่ยตอนแรกไปอาศัยมันได้ความสุขแต่ต่อไปไอ้ทุกข์ที่ตามมานนั้นจะหนักขึ้นทุกทีจนกระทั่ ง, ทงแก้ไม่ได้เลยก็จะสูญเสียไปทั้งชีวิตสูญเสียชีวิตของตนเองไม่พอก็สูญเสียกับสังคมด้วยอีกด้านหนึ่งก็คือคนเมื่อถูก ทุกบีบคั้นมีปัญหาขึ้นมานี่ก็ดิ้นรนเมื่อดิ้นรนโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเท่าที่ควรก็จะทำสเปะสปะัดเขาก็พยายามแก้ปัญหาแก้ทุกนน้นก็กลายเป็นสร้างสรร์อะไรต่างๆแปลกๆขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าเป็นความเจริญบางทีก็มีความภูมิใจในความเจริญที่สร้างสรรจงกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นร้อยเป็นพันปี2000ปีจึงรู้ว่า ไอ้ที่สร้างมาเป็นความเจริญนั้นไม่ได้เป็นความเจริญแท้จริงและไม่ได้เกิดผลดีกับชีวิตเป็นผลร้ายสมา่านี่ก็เป็นปัญหาของมนุษย์อยู่แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการของการที่เผชิญปัญหามีความทุกข์บีบคั้นมนุษย์เล่นล่นหาทางออกนีน่ในฝ่ายกล่อมก็ดีที่ว่าได้ความสุขสบายใจไปช่วคราวาก็พอไม่เป็นโรคจิตโรคประสาท แต่ว่าถ้าแรงไปก็กลายปเป็นเติมโรคยึดโรคประสาทเข้าไปนะซึ่งเป็นทางไม่ปลอดภัยได้ติดพึ่งมาให้ความหวังที่ยึดเดียวก็ไม่ปลอดภัยอันนี้หรือว่าดิ้นรนเพราะความจะเป็นบังคับทุกข์ขัน ภ, ภัยคุกคามก็เลยดิ้นรนขนขวายทํโน่นทํานี่ไปซึ่งเกิดความผิดพลาดก็มากแต่ว่าถ้าหากว่าไม่หลงติดเลอดเพลิน มีทิฏฐิที่ผิดเกินไปเนี่ยความผิดพลาดมันจะเกิดจากการที่ระหว่างที่ดิ้นรนก็เกิดทิฏฐิผิดด้วยทิฏฐิความเห็นความเข้าใจต่อโลกและชีวิตผิดว่าชีวิตของเรานี่ที่ดีคืออย่างนี้คือชีวิตที่เสพบริโภคเต็มที่เนี่ยเกิดความเข้าใจในการดิ้นรนก็จะพาออกนอกโลกทางเผยทาให้แก้ไขยากทีนี้ในระหว่างที่ดิ้นรนเพราะทุบบีบคั้นภผยคุกคามนั้น ก็เป็นโอกาสของมนุษย์ได้เรียนรู้เพราะความทุกข์มันเป็นความจําเป็นมาบียคขันการที่ตัวจะดิ้นรนหาทางออกนั่นก็ได้เรียนรู้ได้ฝึกตนไปในการเรียนรู้นี่แหละถ้ามีโยนิโสมราชิการคือรู้จักคิดพิจนารณ า, นาเนี่ยบางคนก็เลยได้ทางออกเราจะเห็นว่าบางคนก็สามารถเอาทุกข์มาใช้ประโยชน์เรียนรู้ปัญหาเรียนรู้จากการดิ้นรนของชีวิตแก้ไขปัญหาทําให้ได้พบว่าชีวิตที่ดีงามคืออย่างไรนะทําให้ หาทางออกได้เพราะฉะนั้นทุก็เลยกลายเป็นประโยชน์บางท่านก็สําเร็จเป็นปัจเจกพุทธเจ้าในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอย่างของเราที่เราเรียกว่าพระสมมาสพรพุทธเจ้าบางท่านก็สามารถที่จะเกิดปัญญามองเห็นความจริงนะชีวิตที่ดีงามเป็นอย่างไรเกิดปัญญาแสงสว่างขึ้นมาก็ทําให้ชีวิตจิตใจเป็นอิสระทําชีวิตให้ดีงามได้เราเรียกว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า พระเจ้าของเราก็เรียนรู้จากทุกเหมือนกันทีนี้ว่าคนเราจะเรียนทุกจากทุกได้เป็นไหมปัญหาปัจจุบันก็คือว่าอารยธรรมที่ผ่านมาที่แสนจะรุ่งเรืองงองามนี้มันกลายเป็นอารยธรรมที่ว่าได้มีทิฏฐิที่ผิดพลาดเช่นความสัมพันธ์กับธรรมชาติเป็นต้นในมวลท่านเเจจ้ทิฏฐซูญเฉพาะตน เราก็เลยแทรกทามา น, นิดหนึ่งว่าอันนี้ที่จริงก็อธิบายไปแล้วนะฮะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือท่านพูดตรัสรู้ได้รู้ถึงสัจธรรมหรือความจริงของสิ่งทั้งหลายนี่แหละแล้วก็ได้รับประโยชน์จากธรรมะคือความจริงนั้นทําชีวิตของตนเองให้ดีงามประเสริฐเลิศจนถึงที่สุดเราเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้านี่ก็จะมีความแตกต่างกันไปก็เพียงในแง่ว่า บางท่านเนี่ยไม่มีใครได้รู้ความจริงนี้มาก่อนท่านเพียรพยายามค้นคว้าหาความจริงนี้ได้ตนเองเราเรียกว่าบัพเพินบารมีเจงกระทั่งได้ตรัสรู้ค้นพบความจริงนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อค้นพบได้พระองค์เองโดยไม่มีครูอาจารย์ที่ตรัสรู้ก่อนมาบอกให้ท่านก็เป็นผู้ค้นพบคนแรกค้นพบแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติเจงกระทั่งสําเร็จเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ช่างเป็นผู้ค้นพบทาง ถ้าเป็นคนพบธรรมและคนพบทางแล้วท่านก็ใช้ความสามารถในการสอนในการจัดตั้งวางระบบเนี่ยเอาธรรมะที่คนพบและผลทางคือวิธีปฏิบัติเข้าถึงความจริงเนี่ยมาแนะนำสั่งสอนคนท่านผู้สามารถอย่างนี้ทั้งคนพบเองทั้งสามารถเอาไปสั่งสอน แนะนำคนอื่นจัดตั้งวางระบบให้คนอื่นเนี่ยได้ประโยชน์ได้รู้อย่างพระองค์ด้วยอย่างเนี้ยทาได้ทั้งสองด้านหรือสองหน้าที่อย่างนี้ทจริงก็ไม่ชนาที่ของท่านคือเป็นความดีงามความมีคุณธรรมความการุณาของท่านเองนะก็ท่านก็มาบําเพ็ญประโยชน์แก่มนุษย์อย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นรพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทีนี้ท่านที่ได้แค่ว่ายังไม่มีใครค้นพบ ไม่มีใครมาสอนท่านท่านก็เพียรพยายามลองผิดลองถูกของท่านพยายามค้นพบทำจนกจนค้นพบได้ปฏิบัติได้สําเร็จแต่ว่าท่านไม่ถนัดที่จะไปสั่งสอนแนะนําใครก็เลยรู้ได้เฉพาะตัวเองได้รับประโยชน์จากธร ร, รมะเฉพาะตัวเองจะสอนแนะนําคนอื่นก็ได้เพียงเล็กๆ น, น้อยๆไม่สามารถจะให้ถึงขั้นที่เขาจะมาตรัสรู้เข้าถึงธรรมะอย่างทันได นี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่เรียกว่าเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าคือเป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เฉพาะตัวนะซึ่งอาจจะเกิดมีในยุคต่างๆในยุคสมัยที่ไม่มีพระสมรัสมมาสัพพุทธเจ้านี่ส่วนท่านอื่นนะซึ่งมาฟังพระพุทธเจ้าคือสมัสมมาสัพพุทธเจ้ามาเรียนรู้มาเล่าเรียนศึกษาตามมาปฏิบัติตามโดยตัวเองไม่ได้คนพบเองนะ อาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคนพบไวให้แล้วมาสอนก็เลยได้พลอยรู้เข้าใจตามได้รู้ถึงตัวธรรมนั้นและได้ประโยชน์จากธรรมนั้นจนถึงที่สุดเช่นเดียวกันก็เป็นพุทธแต่ว่าเป็นพุทธประเภทตรัสรู้ตามเราเรียกว่าเป็นอนุพุทธอ่านะฮะสอย่างเช่นอย่างภาษารีบุตรโมกขลานะัญญาโกณทัญญปะปปะพัติยะมหานามาอัสสชิคุมาลกัสปะพระปุณณมันตานีบุตร กุมารกุมารลกษัตริย์เยอะแยะไปหมดนะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระอนุพุทธเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นอนุพุทธะนะผู้ที่เป็นพระอารหันต์จะถือว่าเป็นรอารหันต์อารหันต์มีพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะก็เป็นอารหันต์แต่เรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันต์เป็นคงกล่างเป็นคําหมายถึงท่านผู้ที่ได้รู้ธรรมะและได้ประโยชน์จากธรรมะโดยสมบูรณ์ ไม่ว่าเป็นใครก็ตามพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์แต่ก็มีคําเติมต่อท้ายเพื่อให้รู้ว่าอ้อเป็นองค์ที่คนพบนะเรียกว่าอรหันต์ัสสมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมนี่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์ก็ต้องเรียกว่าอรหันตัจเจกพุทธเจ้าใช่ไหมภาษาอีบุตรโมคะลานะก็เป็นพระอรหันต์แต่ว่าเป็นผู้มาตรัสรุปตามเป็นผู้ฟังเล่าเรียนตามเราเรียกว่าอรหันตสาวกใช่ไหม ก็ต้องเติมท้ายเป็นอราหารันตสาวกนะเพราะฉะนั้นคำว่าอราหาันนี่กว้างกว้างมาเอาละครับก็ย้อนกลับมาที่เก่าก็เป็นอันว่าเมื่อคนเรานี่รู้จักเรียนรู้จากทุกมีอยู่ในสมตรราการก็ได้ประโยชน์จากทุกนั้นนะแต่ว่าถ้าหากว่ามันไปติดทิฏฐิที่ผิ ด, ด, ดแล้วก็อาจจะหลงทางเป็นนานอาจจะเป็นพันพันปีก็ได้นะแต่ในช่วงระหว่างนี้ก็อาจจะมีคนที่ ไม่ได้อยู่ในอิทธิพลครอบงมของค่านิยมความเชื่อทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดบางคนก็สามารถแหวกตัวออกไปได้ใช่ไหมได้พ้นพ้งความจริงความดีงามนะ น, นี้แต่ก็มันได้ประโยชน์กับคนจำนวนน้อยซึ่งกคค็คนคว้าเองดิ้นรนเองนี่ถ้าหากว่าสามารถสร้างกระแสอริยธรรมที่ดีมีทิฏฐิที่ถูกต้องคนส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนีเราจึงต้องการสร้างสังขะนี้ขึ้นมา ให้เป็นสังคมส่วนใหญ่ให้มีมนุษย์ที่ปฏิบัติต่อโลกและชีวิตคือสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องตามธรรมะคือตามความเป็นจริงของมันอันนี้ผู้ที่ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องเราก็เรียกว่าปฏิบัติต่อทุกอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองขึ้นมาแทนที่จะรอให้ทุกบีบขั้นภายคลุกคลาม แล้วจึงเรียนรู้กับท่องกับแพร่งสเปสะสปะก็รู้จักคิดรู้จักพิจารณาอย่างเป็นระบบนะมีแนวมีทางนะโดมายงสัมพันธ์กิดความเป็นไปของชีวิตกับสิ่งทั้งหลายนะรู้จักเข้าใจปฏิบัติต่อสิ่งหลายอย่างถูกต้องก็เลยรู้จักเป็นการเรียนรู้หรือศึกษาหรือฝึกฝนตนเองจากสภาพแวดล้อมนะแม่ที่มีปัญหาที่เป็นทุกข์นี่แหละ ก็เรียกว่าใช้ทุกข์ใช้สภาพแวดล้อมนั้นเป็นปัจจัยเอื้ออํานวยในการพัฒนาชีวิตของตนเองกลายเป็นวัฒนธรมให้ชีวิตของตนเองดีได้เป็นอาวมนุษย์ที่ดีนั้นไม่ต้องรอให้ทุกข์บีบคั้นและภัยคุกคามแล้วจึงมาเรียนรู้ฝึกฝนตนเองอย่างสเปดสะปะแต่ว่ารู้จักเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมเอาทุกข์เป็นต้นนั้นมาเป็นปัจจัยในการพัฒนาตนเองนะแล้วเขาจะมีชีวิตที่ดีงามได้อันนี้ก็คือ ชาพุทธที่ถูกต้องก็จะใช้วิธีการนี้ไนมะ่ ง, งั้นแกก็ต้องเข้าสู่กระแสมโมหะอย่างที่ว่าหนึ่งทุกบีบคั้นภัยคุกคามดินลนผลขวายเรียนรู้ไปกบรบทองกระแพลกบังถูกบงังแล้วก็อย่างมน ง, งั้นก็หลบหนีทุกข์ก็หันไปหาสิ่งกล่อมไปนะซึ่งไม่ใช่ทางที่จะปลอดภัยอย่างแท้จริงมีคนจำนวนมากก็จะไปเพอินเรื่องสิ่งกล่อมเนะีนะ่ย คะแนนบางทีก็ดิ้นรนเรียนรู้จักทุกมากปัญหาท่าออกไม่ได้ผลที่สุดก็มาจมที่สิ่งกลบเหมือนอารยธรรมปัจจุบันนี้แทบจะมาจมที่สิ่งบริโภคและทุกสิ่งเสพติดนะถ้าไม่สามารถแก้ปัญหากันได้เอาละทีนี้เมื่อรู้จักพัฒนาชีวิตของตัวเองก็จะมีชีวิตที่ดีงามเน่ตัวเองก็เป็นชีวิตที่ดีมีคุณสมบัติดีงามมีพฤติกรรมดีงามมีจิตใจ ดีงามมีคุณสมบัติมีจิตใจที่มีสมรรถภาพมีความสุขแล้วก็มีปัญญารู้ความจริงต่างๆก็เข้ามาเป็นส่วนร่วมในสังคมที่ดีงามแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนอกจากทาชีวิตของตนเองให้ดีงามพัฒนาตัวเองจากการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมจากทุกแล้วเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่ามนุษย์นั้นบอกแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติชีวิตของเขาก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง เป็นไปตามธรรมไปไปตามกฎธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขรังอนัตตามันก็สิ่งทั้งหลายแต่อย่าลืมว่ามนุษย์เรานี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติด้วยในเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยที่มันมาสัมพันธ์กันในเมื่อตัวเราชีวิตเราก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง มันก็เข้าไปร่วมในกระบวนการของเหตุปัจจัยด้วยนั้นชีวิตของเรานี่ก็ไปเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในกระบวนการของธรรมชาติได้ทั้งหมดอันนี้เราต้องไม่มองข้ามอันนี้ในเมื่อเราต้องการให้โลกชีวิตสภาพแวดล้อมนี่มันดีงามเราก็เอาตัวของเราเข้าไปเป็นปัจจัยได้ด้วยทีนี้มนุษย์นี่ นอกจากเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเหมือนกับปัจจัยอื่นแล้วมันเป็นปัจจัยพิเศษเป็นปัจจัยพิเศษเหนือปัจจัยอื่นคือหนึ่งมันมีเจตจํานงมีความตั้งใจตั้งใจว่าจะเอายังไงยังไงสามารถคิดตั้งใจไม่เหมือนปัจจัยอย่างอื่นในธรรมชาตินี่มันอยู่ในความสัมพันธ์กันในความสัมพันธ์นี้เป็นเครื่องกําหนดมันเลยเนะี่ย มนุษย์นี้สามารถเปลี่ยนแปลความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นได้ได้วยความตั้งใจของตัวเองแต่ว่าไอ้เจ้าเจตานานี่ก็เสี่ยงนะกลายไปว่าไอ้เป็นเจตานานร้ายเจตานานดีถ้าเจตานานไม่ดีเป็นเป็นการทางทําลายกลายเป็นตัวปัจจัยในทางที่จะทำลายก็นนะหรือว่าจะเป็นเจตจำนงความตั้งใจที่ดีเกื้อหนุนก็กลายเป็นปัจจัยที่เอื้อนี่นี่เป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์นี้ เป็นปัจจัยพิเศษที่ว่ามีปัญญาโอ้ oh. นี่มีความรู้เข้าใจอื่นไอการที่รู้นี่มันทำให้ไปเป็นปัจจัยพิเศษที่ไปส่งผลอิทธิพลต่อปัจจัยอย่างอื่นในทางที่ตัวต้องการตัวมีเจตจำนงแล้วและแถมมีปัญญาไอเจ้าสองอันนี้สำคัญอย่างยิ่งหนึ่งมันมีเจตนาใช่หมสองมันมีปัญญาทีนี้ก็เอาเจตนาเนีมาตั้งตามปัญญาสิใช่ มีปัญญารู้เข้าใจเหตุเพตุใจอื่นก็เข้าไปร่วมในกระบวนการของเหตุปัจจัยนี้สามารถไปเป็นตัวส่งอิทธิพลต่อปัจจัยอื่นที่จุดนั้นจุดนี้เพื่อจะให้กระบวนการของความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันเกิดผลในทางที่ตนต้องการนี่ได้ความรู้อันนี้มนุษย์นี่เลยเป็นปัจจัยพิเศษไม่เหมือนปัจจัยอื่นที่ว่าต้องถูกกําหนดโดยสถานะความสัมพันธ์ของมันกับสิ่งอื่นใช่ไหมมันได้เท่านั้นอ่ะ มันอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ตำแหน่งความสัมพันธ์อะไรมันก็เป็นปัจจัยได้อย่างนั้นแต่มนุษย์นี่มีความตั้งใจเจตจานงด้วยแล้วแถมเจตจานงนั้นมีดีมีร้ายแล้วก็ยังมีปัญญาอีกแล้ปัญญานี้ก็พัฒนาได้ด้วยเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็มีความพิเศษที่เราพูดอีกอย่างหรือว่าเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้สุดได้เป็นปัจจัยตัวที่พัฒนาได้ก็เปลี่ยนแปลงและกลับส่งผลในการเปลีป่ยนแปลงนี้ไปยังสิ่งอื่น นี่แหละตอนนี้ที่มีความสําคัญนั้นก็เมื่อมนุษย์เป็นปัจจัยพิเศษอย่างนี้แล้วมาร่วมในกระบวนการก็เหตุปัจจัย น, นี้ถ้าหากว่าตัวเองไม่พัฒนานี่ตัวเองมีเจตนามีความจงใจเนี่ยแต่ตัวเองไม่พัฒนาปัญญาก็ไอเจตนานั้นก็สเปะสป่ายกแล้วแนะ่แล้วแถมเป็นเจตนาร้ายมุ่งแต่ว่าจะเอาตัวรอดกลายเป็นว่าเป็นปฏิปักษ์จะทําลายสิ่งอื่นกลับทําให้เกิดผลร้าย แก่ระบบความสัมพันธ์แก่การอยู่ร่วมกันแก่สังคมมนุษย์แก่โลกทั้งโลกที่มีธรรมชาติแวดล้อมอยู่ด้วยเสียหายไปเลยหนักยิ่งกว่าที่ว่าพวกปัจจัยอื่นที่มันไม่เก่งด้วยใช่ไหมกลายเป็นมนุษย์นี่ทำร้ายก็ทําร้ายได้มากสุดเพราะไม่พัฒนาตัวเองนั่นไอ้เจตจานงที่มีนี่แหละนี่แหละที่เรียกว่ากรรมแหละเอ่อวันนั้นมนุษย์ก็เลยทํากรรม นะคือการเข้าไปเป็นปัจจัยในระบบความสัมพันธ์ของโลกและชีวิตเนี่ยนะโดยเอาเจตจำนงงตัวเป็นฐานเป็นตัวมูลเป็นตัวรากนะทำให้เกิดกรรมขึ้นมาซึ่งส่งผลกับสิ่งต่างๆเ <c oughs> มื่อมนุษย์ไม่ได้พัฒนาตนไอ้กรรมที่ออกจากเจตจำนงนั้นก็เป็นไปนในทางที่มืดบอดเอาแต่ตัวรอดนะมุ่งผลประโยชน์กับตัวทาร้ายสิ่งอื่นก็ส่งผลร้ายต่อ ทุกอย่างชีวิตของตัวเองก็หาได้ดีไปด้วยม่เพราะนั้นในการที่เป็นปัจจัยพิเศษอันเนี้ยมนุษย์จะต้องกลับต้องระวังตัวให้มากก็คือทำไงจะให้ตัวเองเนียไปเป็นปัจจัยที่ดีที่สุดน่ซึ่งชีวิตของตัวเองก็จะได้ดีด้วยแล้วส่งผลต่อสังคมต่อโลกต่อระบบธรรมชาติในทางที่ดีเลื่อนหนุนกันพราะนั้นก็จะทให้มีเจตนาที่ดีและเจตนาที่ดีจะสาเร็จผลต้องมีปัญญาใช่ไ ถ้าไม่รู้เลยจะเป็นตั้งเจตนาดีมันทาไม่ถูกเพราะมีเจตนาด้วยดีด้วยมันพัฒนาขึ้นไปนะเจตนาก็อยู่ในจิตใช่ไหมมีคุณสมบัติคุณคุณธรรมความดีงามต่างๆแล้วมีจิตใจสบายมีความสุขมีความเข้มแข็งจิตใจเจตนานี่ดีแล้วมันด้านจิตดีแล้วได้ปัญญาความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆระบบความสัมพันธ์ตัวเหตุปัจจัยอะไรที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะไปจัดการเราไปช่วยมันเกื้อหนุนมัน นี่ปัญญาก็มาช่วยนะทําให้เจตนาที่ดีนั้นสําเร็จผลทีนี้ในะการที่จะปฏิบัติให้สําเร็จผลก็ออกมาถึงพฤติกรรมใช่ไหมพฤติกรรมกายวาจานี่แหละเป็นตัวที่ออกไปสัมพันธ์กับสิ่งอื่นก็เลยพัฒนา3ด้านนี่มันดีพัฒนาเนะี่ยเจตนาที่มีคุณสมบัติของจิตใจต่างๆให้พรั่งพร้อมพัฒนาจิตใจให้ดีพัฒนาปัญญาที่รู้แล้วก็มาพัฒนาพฤติกรรมด้วยพัฒนาพฤติกรรมเป็นของยาวก็พัฒนาอยู่เรื่อยตั้งแต่ต้น แพัฒนาไปพฤติกรรมที่มีปัญญารู้เข้าใจความจริงอย่างทัวถึงและมีคำตอบได้เจตนาดีจิตใ จ, จดีก็เลยทําให้พฤติกรรมนั้นเอื้อเป็นประโยชน์ในระบบความสัมพันธ์ก็ส่งผลดีนะนั้นมนุษย์ก็เลยเป็นปัจจัยที่เป็นประโยชน์เป็นปัจจัยที่มาช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นแต่ก่อนเนี้ยโลกธรรมชาติแวดล้อมนะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะรวมทั้งความสัมพันธ์กับธรรมชาติเนี้ย ถ้ามันปล่อยไปตามความสัมพันธ์ของมันเองอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมีการเบียดเบียนกันมากใช่ไหมอันนี้มนุษย์นี่เป็นปัจจัยพิเศษอย่างที่ว่าพัฒนาได้เพราะพัฒนาให้ดีขึ้นทั้ง3าด้านนี้แล้วโดยเฉพาะปัญญาแล้วให้มีเจตนาดีก็พฤติกรรมนั้นก็เก่งมาการมาทําให้ช่วยให้ระบบความสัมพันธ์เช่นสังคมนมนุษย์เองเนี่ยดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเบียดเบียนกันน้อยลงแลนั้นนี้ก็คือเรื่องของอารยสัตว์ทั้งหมดเลยนะ อันนี้ต่างกับแนวคิดของตะวันตกซึ่งเรามองจากแนวคิดนี้เราก็เห็นว่าพวกเขานี่ผูกทุกบีบคั้นภายคุกขามก็ดิ้นรนสเปสสะปะเรียนรู้จากการดิ้นรนจากการต่อสู้จากการแก้ปัญหาจากการหาทางพ้นทุกนั้นก็ได้เก่งขึ้นมาแต่ว่ามันมีทิศทีผิด ในที่สุดก็ไปมีทิฏฐิว่าเนี่มนุษย์จะดีงามประเสริฐมีความสุขสมบูรณ์เมื่อไปพิชิตธรรมชาติอื่นได้ใช่หไหมก็เลยจะกำจัดมันเอามันเป็นทาตรับใช้ไปไปมามากลายเป็นธรรมธรรมลายธรรมชาติแวดล้อมเกิดภัยพิบัติเราก็เรียกกันว่าธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทร ม, ทร ม, ทรมนะก็เลยกลายเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะเพราะนั้นก็จะต้องแก้ไขปัญหากันใหม่ทีนี้จะ ห, หาทางออกอย่างไร เราก็บอกว่าต้องเอาระบบความคิดนียไปใช้ของพุทธศาสนานี่แหละอริยสัจนี่แหละตั้งแต่พระรัตนตรัยมาถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วแก้ปัญหาได้ถ้าไม่ยอมก็แก้ไม่สาเร็จ <c oughs> ก็บอกว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ไปอันว่าเรื่องอริยสัจก็มาโยงกับเรื่องของปัญหาปัจจุบันมนุษย์ก็ใช้หลักการนี้มาแก้ปัญหาได้หมดนี่ก็เป็นคุณค่าอย่างหนึ่ง ของธรรมะที่ออกมาในรูปของการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์แล้วก็เป็นการแก้ปัญหาของมนุษย์ทีนี้กั น, นี่เราก็ใช้ศัพท์เรียนแบบประชาธิปไตยนะบอกว่าอาริยสัตว์เนี่ยเป็นวิธีแก้ปัญหาของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์เอแต่ว่าเพื่อมนุษย์นี่มันจะนอยไปแล้วมันต้องเพื่อโลกทั้งหมดใช่ไหมเออตอนนี้เรากว้างกว่าเป็นของมนุษย์นะโดยมนุษย์ แต่เพื่อทั้งโลกเนี่ยประชาธิปไตยเขายังแคบคำว่าของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนถูกไหมแคบมาต้องประชาธิปไตยก็ต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าประชาธิปไตยเพื่อประชาชนประชาชนในที่นี้หมายถึงแค่มนุษย์ในพิดนะประชาธิปไตยจะต้องปรับตามนี้ด้วยนะถ้าประชาธิปไตยนี้ไม่ใช่เพื่อโลกทั้งหมดเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมเพราะเอาแต่คนนะครับการพัฒนาไม่ยังอยู่ ไม่สอดคล้องกับไอ้เรื่องของความรู้ความเข้าใจปัจจุบันที่ว่าปัจจุบันนี้จะต้องแก้ปัญหาทั้งโลกใช่ไหมทั้งระบบธรรมชาติแวดล้อมด้วย ป, ประชาธิปไตยมันยยังอยู่แค่คนเท่านั้นเองจุดหมายมันไปตันถ้าเอาแค่เพื่อคนก็ลืมนึกถึงธรรมชาติอื่นสิ่งแวดล้อมไปทำลายเบียดเบียนมันได้อีกนันะต้องเอาตาบูธศาสรนาบว่าของมนุษย์โดยมนุษย์แต่เพื่อทั้งโลกเพื่อระบบ ธรรมชาติแวดล้อมทั้งหมดที่มีมนุษย์อยู่ด้วยใช่ไหมฮประชาธิปไตยก็จะต้องปรับตามนี้ด้วยเอาและพูดไปเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปกันใหญ่นีก็ขอย้อนกลับมาที่หลักอาเรียนสัตว์อีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามองอเรียนสัตว์นี่มองได้ไหลายแง่วิธีมองแง่หนึ่งก็คือมองเหมือนกับว่าทุกนี่เป็นโรคคือทุกนี่เป็นปัญหาของชีวิตใช่ไหมก็มองเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บ นี้โรคภยัยแค่เจ็บนี่ก็เป็นปัญหาสําหรับชีวิตแต่เป็นเรื่องที่หมอนี่แหละจะเข้ามาจัดการใช่ไหมหมอนี่ก็จะมาช่วยคนไข้ช่วยชีวิตของคนให้หายจากโรคนะเพราะฉะนั้นโรคนี่เป็นเรื่องที่หมอเอาใจใส่เป็นพิเศษแต่ว่าหมอนั้นต้องการจะมาทําชีวิตเนี่ยให้หายโรค ก, ก็คือให้มีสุขภาพดีนั่นเองจะให้เป็นชีวิตที่ดีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีแตนี้ เวลาเขามาแก้โรคนะ่ยโรคคือปัญหาของชีวิตถ้าของร่างกายเนะ่ยเฉพาะด้านร่างกายอันนี้เขาจะมาแก้ปัญหาจะมาบําบัดโรคเดี๋ยวนี้เราก็เรียกกันว่ารักษาโรคที่จริงมันก็ไม่ถูกใช่ไหมรักษาโรค ก, ก็ต้องเอาโรคไวส้สิใช่ไหมรักษาเนี่ยแปลว่าทําให้คงอยู่ได้ดีนะฮะรักษาโรค ก, ก็ต้องเอาโรคไวส้สินะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันพูดกันผิดนะีมันต้องรักษากายให้หายโรค ก็ต้องบำบัดโรคสมัยโบราณเขาใช้คาว่าบำบัดโรคอ้าวเขามาดูว่าหมอก็จะมาบำบัดโรคล่ ะ, ะแต่ก็คือจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีอันนี้ก็แปลว่าหมอจะบำบัดโรคแลวจะให้ร่างกายคนไข้แข็งแรงมีสุขภาพดีนี่จุดเน้นเราไปอยู่ที่โรคนี่บำบัดโรคเนี่ยหมอที่จะมาช่วยรักษาคนให้หายโรคเนี่ย เวลาเขาเรียนเขาฝึกเนี่ยเขาเริ่มที่ไหนอ่าหมอปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มเรียนเขาเรียนร่างกายมนุษย์ก่อนเขาไม่ได้ไปเรียนโรคนะถูกไหมอ่าเขาเริ่มเรียนเขาไปเรียนร่างกายไปเรียนกายวิภาคเอาศพคนนี่มาเรียนมาผ่ามาแยกดูใช่ไหมฮะเรียนกายวิภาคแบ่งแยกร่างกายออกไปนะีอนาโตมี่ให้รู้ว่าอะไรส่วนไหนเป็นยังไ ง, งไงต่อมา ก็เรียนรู้ระบบการทํางานของร่างกายเรียกว่าสรีระวิทยาใช่ไหมเนี่ยต้องเรียนเรื่องของร่างกายทั้งตัววัตถุส่วนประกอบต่างๆของร่างกายเรียนส่วนประกอบของมันวิภากยกเยอะๆไปแล้วก็เรียนระบบการทํางานเข้ามันเรียกว่าสรีระวิทยาก็คือเรียนร่างกายเนี่ยเขาจะบําบัดโรคแต่กลับมาต้องเรียนที่ร่างกายเนี่ยอันนี้ขอให้คิดให้ดีเพราะอะไรเพราะโรคมันเป็นที่ไหน มันเป็นที่ร่างกายใช่ั้ยถ้าไม่เข้าใจร่างกายแล้วจะไปจัดการแก้ไขโรคได้อย่างไรแล้วถ้าไปเรียนโรคเราเรียนไม่มีที่สิ้นสุดเรียนร่างกายเนี่ยร่างกายนี่มันเป็นที่ตั้งหองโรคโรคเป็นที่ร่างกายแล้วการวิปริตผันแปรของร่างกายเนี่ยถ้าร่างกายนี้เราปฏิบัติจัดการกับมันไม่ถูกมันเป็นทาเกิดโรคอีกมากมายไม่ใชพาะโรคที่รู้จักกันเท่านี้ใช่ไหม ะที่จริงนี่ต้องเรียนเรื่องร่างกายนี่แหละให้บระร่างกายเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ดีมันมีการทำหน้าที่มันประสานกลมกลืนกันทั้งระบบมีดุลยภาพร่างกายนี่มันต้องอยู่ได้ดีใช่ั้ยอันนี้คือแกนหัวใจของการบบัดโรคอันนี้ทีนี้ก็เสร็จแล้วก็เรียนโรคไขข้อเจ็บหมอทุกคนจะต้องเรียนเรื่องร่างกายนี่หมดใช่ แต่ จ, จะเรียนพิเศษเฉพาะจุดแต่เรื่องโรคนี่เขาจะเรียนไม่หมดหรอกเขาไม่มีใครไปเรียนโลกหมดทุกโรคนีอันนี้ก็เป็นอันว่าถ้าเราจับจุดถูกก็เหมือนกันที่เราบอกว่าทุกๆเนี่ยความจริงก็คือสภาวะสิ่งทั้งหลายที่ไม่คงอยู่ในภาวะเดิมของมันแต่ น, นี้มันปรากฏแก่นม น, นุษย์ในลักษณะที่ไม่ได้อย่างใจนีมันไม่ให้ความพึงพอใจโดยสมบูรณ์แก่ผู้ที่เอาแต่อยากเข้าว่าใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นปัญหาขึ้นมา นี่เราจะไปแก้ปัญหาไม่ให้มีทุกข์ไม่ให้มีปัญหาคือไม่มีโรคนั่นเองก็เหมือนกับแพทย์จะมาให้คนมีโรคไม่ต้องไปเรียนเรื่องโรคเท่าไหร่หรอกมาเรียนเรื่องร่างกายเรื่องชีวิตมนุษย์ทุกขนะ์นั้นมาเกิดที่ไหนมาเกิดที่ชีวิตแล้วก็จิตใจคนเพราะนั้นก็จะต้องเรียนเข้าใจชีวิตจิตใจนัดตกลงว่าอาริยศาสตร์ข้อนหนึ่งให้เราเรียนอะไรเหมือนกับแพทย์จะบำบัดโรค ก, ก็มาเรียนเรื่องร่างกาย ผู้ที่จะป้องกันทุกข์ดับทุกข์ไม่ให้มีทุกข์เกิดขึ้นคำว่าดับทุกข์นี่ที่จริงเป็นคำที่ชวนเข้าใจผิดนะความจริงท่านหมายถึงทำให้ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นเป็นภาวะไร้ทุกข์ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นการที่จะไม่ให้มีทุกข์เกิดขึ้นมันก็ต้องมาเรียนรู้เข้าใจนี่แหละที่ตั้งของทุกข์อยู่ที่ไหนตัวที่จะเป็นตัวที่จะทาให้เกิดทุกข์ก่อทุกข์ขึ้นมาได้ก็ชีวิต จิตใจนี่และสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตจิตใจคนก็คือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมนี่แหละเรลงว่าชีวิตทั้งหมดของเรามันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่รูปธรรมนามธรรมสิ่งทั้งหลายก็รูปธรรมนามธรรมอันนี้แหละถ้าเรารู้เข้าใจปฏิบัติตามมันถูกต้องไอ้เจ้าทุกข์มันก็ไม่มีเองแหละถูกไหมฮะนี่ก็การไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นเลยไม่ต้องไปดับทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วมันกลายไปว่ามันทําให้ไม่มีทุกข์เกิดเลยนี น, นั้นตกลงว่าเรื่องอริยสัจเนี่ยเรามาเรียนที่นี่เองมาเรียนที่ชีวิตของเราเนเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งชีวิตทั้งเขาก็คือสังขารซึ่งสังขานี้จะโยงจากชีวิตของเราไปหาสิ่งทั้งหลายภายนอกสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนพอเราเรียนเสร็จแล้วเนเราปฏิบัติต่อชีวิตต่อสังขารต่อรูปธรรมนามธรรมนี่ถูกต้อง ก็แปลว่าทุกไม่เกิดอย่างคนมีทุกข์เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วจะแก้ไงเออเหมือนหมอเหมือนหมอเนี่ยเราบอกบำบัดโรครักษาโรคไม่ถูกทรกคำเมื่อกี้บอกบำบัดโรคไม่ถูกหรอกบำบัดโรคก็ไม่ถูกเออรักษาโรคก็ผิดบำบัดโรคก็ผิดถ้าใช้คำว่าบำบัดในความหมายว่าไปทําลายโรคโรคไม่ให้มันให้มันหมดไปเนี่ยมีใครไปทําลายไป บำบัดโรคได้หมอเขาจะทำให้คนหายโรคเนี่ยเขาทำไงรู้ไหมเขาไปกำจัดสมุนฐานของโรคเขาต้องเรียนโรคเนี่ยเขาไม่ได้ไปแก้ที่โรคนะเขาไปแก้ที่เชื้อโรคถูกไหมใช่ไอา้าวคนเป็นโรคท้องเดินเนี่ยปวดหัวเขาไปแก้ที่อาการงั้นแค่ยาแก้ปวดระงับอาการนี่แก้โรคไม่ได้ถูกไหมฮะเออทำไงต้องไปแก้ที่สมุนฐาน สมุนธารมันเป็นชื่อโรคก็ไปจํากัำจัดชื้อโรคถูกไหมเชื้อโรคกับโรคไม่เหมือนกันนะถูกไหมครับโรคอย่างหนึ่งชื้อโรคอย่างหนึ่งเวลาเราจะแก้โรคเราต้องไปแก้ที่ชื่อโรคนะต้อไปทําลายชื้อโรคและโรคหายไปเองถูกไหมเวลาไปทําลายชื่อโรคไอชีวาหรือเชื้อบิดเชื้ออะไรในท้องไอโรคท้องเดินท้องเสียปวดท้องหายไปไออยู่ๆเราจะไปรักษาโรคบาบัดโรคไปทําให้หายปวดท้อง ให้ท้องเดินยังไงใช่ไหมไทยไปทําได้ต้องไปกำจัดเชื้อโรคแล้วแต่สมุนฐานบางทีสมุนฐารนั้นไม่ใช่เชื้อโรคก็มีเกิด <c oughs> จากความผิดปกติของส่วนนั้นของร่างกาย <c oughs> ก็ต้องไปปรับส่วนของร่างกายนนะให้ถูกต้องอาจจะมาจากอุตุดินฟ้าอากาศภายนอกแล้วร่างกายมีภูมิต้านทานไม่พออ้าวก็ต้องไปแก้ที่อุตุปัจจัยแวดล้อมภายนอกหรือไม่งั้นก็ต้องมาแก้ที่ปัจจัยภูมิต้านทานภายในตัวเองใช่ไหมก็ไม่รู้แหละตกลงว่าจะแก้โรคต้องไปแก้ที่สมุนฐาน ไม่ใช่ไปแก้ที่ตัวโรคไม่มีใครไปบำบัดโรคได้นะนี่เพราะฉะนั้นหมอเขาก็ทำอย่างเงี้ยทีนี้ก็เช่นเดียวกันในเรื่องอรียสัตว์เนี่ยนะเป็นอันว่าหนึ่งทุกถ้าเรามองแบบโรคเหมือนของหมอก็เป็นตัวโรคนะโรคนั้นที่จริงมันก็เป็นอาการที่ผิดปกติของร่างกายบกพร่อง น, ะ น, นี้เอาล้นั้นหนึ่งก็ต้องเรียนไอ้ที่ตั้งของโรคก็คือชีวิตร่างกายเพื่อปฏิบัติมิ แล้วก็สองก็เรียนสมุดฐานของโลกใช่ไหมแล้วก็ไปกําจัดสมุดฐานนั้นนี่ก็คือสมุดไทยนะฮะคือการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่ผิดแล้วไอ้ตัวทุกข์นั้นเราไม่ต้องไปทำอะไรมันหายไปเองไม่มีใครไปที่จริงไม่มีใครไปทําลายทุกข์ได้หรอกนีทุกข์หายไปจากสมุดฐานของมันแล้วทีนี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าเมื่อเรา กำจัดถูกเราก็ได้บรรลุจุดหมายความมีสุขภาพดีความไม่มีโรคนะชีวิตที่ดีงามอันนี้ก็เป็นจุดหมายของเราที่เราจะต้องเข้าใจว่าเราควรจะเข้าถึงนจุดหมายนี้เป็นไปได้เป็นไปได้และดีด้วยทําไม่งั้นเราจะไปทำทำไมใช่มทีนี้ก็ต่อไปก็วางข้อปฏิบัติใช่วางข้อปฏิบัติออกมาก็แล้วแต่ละตอนเนี้ยเรื่องของหมอนี่หมอ เมื่อวิธีใช้โรคนะแล้วก็ต้องหาตัวเชื่อโรคสมุนฐานกําจัดเชื่อโรคนั้นกําหนดเป้าหมายว่าภาวะที่ตัวต้องการให้เป็นอย่างนี้แล้วก็วางวิธีปฏิบัติวางวิธีปฏิบัติเช่นการให้ยาใช่ไหมหรือการผ่าตัดการปฏิบัติตัวของคนไข้รายละเอียดต่างๆเหล่านี้มากมายเหลือเกินเรียกว่าเป็นมรรคทั้งสิน้นนี่ก็คือการเทียบเรื่องอริยสัจกับเรื่องการ บ, บาําบัดโรคภัยไข้เจ็บนะเรื่องของหมอ ก็คล้ายๆกันอันนี้พูดถึงตอนนี้แล้วก็เลยมาดูเรื่องอริยสัจนี่เรื่องอริยสัจก็เลยโยงไปหาความจริงของสิ่งทั้งหลายเพราะบอกแล้วว่าอริยสัจก็คือการนําเอาธรรมะความจริงเนี่ยมาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์ให้มนุษย์ปฏิบัติได้ก็เลยเป็นหลักการ4ข้ออันนี้หลักการ4ี่ข้อมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค ก, นะก็จากการที่พูดมานี่เราก็จะเห็นได้ว่า เราจะต้องทําอะไรแต่นในแต่ละข้อเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทรงวางหรือสอนไว้ซึ่งวิธีปฏิบัติต่อแต่ละข้อนี้ <Yeah. S 1> อย่างที่บอก <Yeah. S 1> เช่นเมื่อกี้บอกว่าทุกนี่ไปกําจัดมันไม่ได้นะ <laughs> อย่างมีเป็นต้นใช่ไหมเ <laughs> นี่ยหรือว่าทุก์ถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นเราจะหลงแม้กระทั่งเอาเอามันมาเป็นทุกในเ ร, <laughs> เราก็ได้ผิดหมดดังนั้น การปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ต้องให้ถูกต้องเพราะนะพระพุทธเจ้าก็วางสิ่งที่เรียกว่ากิจต่ออริยสัจเข้ามานะผู้ที่เรียนอริยสัจแล้วจะต้องเรียนรู้กิจต่ออริยสัจหรือกิจในอริยสัจด้วยว่าอริยสัจแต่ละข้อนี้เรามีหน้าที่จะทําต่มันอย่างไรหน้าที่ต่ออริยสัจ ต, ต้องทำไม่ให้ผิดถ้าผิดเราก็พลัดแล้วก็เกิดผลเสียอริยสัจข้อนหนึ่งก็ทุกข์ ทุกก็อย่างที่บอกแล้วก็สิ่งทั้งหลายมันอยู่ในภาวะที่มันไม่อยู่ในมันไม่อยู่ในภาวะที่คงตัวอยู่ที่เราจะให้เป็นไปนตามปรารถนาของเราได้หรอกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้มันรู้เท่าทันรู้จักมันตามเป็นจริงรู้ธรรมชาติของมันที่เป็นนิจังทุกขั ง, งหน้าตาเป็นเป็นต้นเพื่อเราจะได้วางใจแต่มันถูกแล้วเราจะได้กล้าไปสู่ข้ออื่นๆวิธีปฏิบัติเพราะฉะนั้น ทุกเรืออ่อเรียนสัตว์ข้อหนึ่งก็คือสภาวะสิ่งทั้งหลายเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องรู้เท่าทันมันเรียนรู้จักมันท่านเรียกว่าปริญญานะเป็นวัตถุที่เราไม่ไม่ได้ไปกำจัดเลยนะฮะแล้วเราก็ไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นใครมาเรียนเริยนสัตว์เราเป็นทุกข์แสดงว่าผิดไปเรียนรู้อริยนสัตว์า่าพระพุทธเจ้าจัดว่าขันห้าเป็นทุกข์ในโลกนี้มีทุกข์ชีวิตเป็นทุกข์ชาติเป็นทุกข์ แล้วเกิดความเศร้าซึมเหงาหงอยแสดงว่าปฏิบัติผิดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอเรียนสัตว์มาให้เรามาเป็นทุกขนะ์สอนทุกข์มาสําหรับให้เรารู้จักหน้าที่ต่อเรียนสัตว์นี่แน่นอนกําหนดไปเลยทุกขังปริญญาอย่างนะทุกขเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันนะปริปริญญานะเดี๋ยวนี้เรามาทําปริญญากันเยอะถึงปริญญาเองเนี่ยนะถ้าได้ข้อหนึ่งนี่เก่งมากนะ ปริญญาทั้งหมดเนี่ยไม่เหนือปริญญาในทุกนะก็คือถ้าปริญญาในทุกก็คือรู้จักโลกชีวิตทุกสิ่งตามเป็นจริงแล้วใช่ไหมในระบบของสังขารเนะี่ยอันนี้ปริญญาปัจจุบันีนเรียนถึงปริญญาเอกก็ยิ่งเจาะลงไปเฉพาะแง่เลยแทนที่จะได้รู้ความจริงของโลกยิ่งแคบลงไปหนักเข้าไปอีกนะเข้าไปเจาะเฉพาะเขานะไม่มาต้องมีปริญญาอีกชั้นหนึ่งที่ปริญญาหลังจากเจาะลึกแล้วมาโยงอยีกทีทั้งจักรวาเลเนะ ปริญญาที่สี่ต้องเลยปริญญาเองก็งเรียกว่าปริญญาอะไรล่ะญญนีไหนฮะญญไม่รู้แหละเรียกเอากันลวกันปริญญาเนี่ยมันจะต้องมาขั้นหนึ่งก็คือจากเจาะลึกชำนาญพิเศษก็มาสู่การโยงทั้งจักรวาลทั้งโลกทั้งภิพบนะโยงระบบความสัมพันธ์เข้าใจทั่วถึงทั่วตลอดได้ general principle ได้หลักการทั่วไปเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดเพราะนักปริญยาเอกนี้ยังไม่จบอ้าวทีนี้ก็กลับมาเรื่องนี้ไปอว่าทุกเนี่ยเป็นเรื่องสําหรับปริญญานะปริญญาเป็นหน้าที่ต่อทุกเรียนรู้โลกให้เขาใจยังไม่ไปไหนเลยยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยนะได้แค่ปริญญาแต่ถ้ารู้จริงแล้วมันถึงกันเองนะอริยสัจสี่ข้อถ้าปริญญาจริงและหน้าที่ต่อสมุทัยนิโรธมาร์กมันตามกันมา แต่ว่าเราต้องรู้แต่ละข้อทําไงเป็นอันว่าหนึ่งทุกก็คือสภาวะของโลกและชีวิตที่มันเป็นของมันตามเหตุปัจจัยของมันมันไม่ได้คงอยู่ในสภาวะเดิมของมันแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในภาวะที่เราจะเอาตามใจของเราได้นะมั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องของมันทําทจิตใจให้เป็นอิสระก็รู้จักรู้เท่าทันมันมีปริญญาหนึ่งแล้วนะหนึ่งได้ปริญญาละสอง หน้าที่ต่ออเรียสัตว์ข้อสมุดไทยนี่คือสมุดฐานของโรคหรือปัจจัยเหตุของทุกขอันนี้แหละที่เราจะต้องไปกำจัดมันเสียนี่แหละเป้าที่จะากำจัดนี่มันจะไปกำจัดทุกไปกำจัดเหตุของทุกสมุดไทยสมุดไทยนี่คืออะไรคือการปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างผิดพลาดใช่ไหมฮโดยท่าทีของการสเปดสปะเกิดจากความไม่รู้นะ ปลายสมุทฐานที่สุดก็คือไม่รู้ น, นั่นเจองเจากการไม่รู้อวิชชาเป็นตัวมก็ไปอันว่าเจ้าชุดนี้แล้เจ้ากระบวนนี้ทั้งหมดอวิชชาไม่รู้ตัณหาความสัมผันธที่ผิดเอาแต่อยากเข้ า, าอุปาทานไปยึดสําคัญมั่นหมายจะให้เป็นอย่างใจนะเป็นตัวเชื่อมต่อจากตัณหาไปทําให้สิ่งทั้งหลายนี่มันคลอยเป็นทุกข์ขึ้นมาจริงๆ เ, เป็นวันว่าอุปาทานนี่มันเป็นตัวโยงตัณหามา จับเข้ากับสิ่งต่างๆทําให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาจริงๆในใจของมนุษย์อั น, นี้ไอ้เจ้าอาวิชาตหาปัฏฐานนี่แหละเป็นตัวสมุทฐานเราต้องกําจัดมันนี่หน้าที่นี้เรียกว่าปะหารนะหนึ่งหน้าที่ต่อทุกข์ก็คือปริญญาสองหน้าที่ต่อสมุทัยคือปะหาน ะ, ะละกําจัดแต่เราดูเท่านั้นเองนะเราไปกําจัดมันโดยตรงไม่ได้ก็ทําไงล่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อกําจัด แต่ว่าเราต้องรู้เป้าหมายก่อนก่อนที่จะไปกําจัดมันเราต้องรู้เป้าหมายว่ากำจัดเพื่ออะไรใช่ไหมแล้วก็กระบวนการหลักการในการที่กําจัดละสมุทัยนั้นมันไปนกระบวนการตามธรรมชาติอย่างไรต้องเข้าใจธรรมชาติคือเข้าใจตัวธรรมอันนี้เข้าใจระบบกระบวนการของมันจนกระทั่งผลที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้กระบวนการธรรมชาติเป็นทั้งจุดหมายได้พอเข้าใจ น, นี้อันนี้นี่คือจุดหมายที่เราจะต้องเข้าถึงทำให้สาเร็จ เพราะนั้นอันนี้เรียกว่านิโรธหน้าที่ตอนนิโรธก็คือสัชิกิริยาสัชิกิริยาแปลว่าการทําให้แจ้งก็คือทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาทําให้สําเร็จหรือบรรลุนั่นเองทําให้สําเร็จหรืให้บรรลุเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงต้องบรรลุจุดหมายอันนี้นะอา้าวทีนี้จะบรรลุได้ยังไงบรรลุได้ด้วยการกำจัดไอตัวสมุนฐารของมันนะแล้วจะกําจัดได้ยังไงอา่าแล้จะทําให้ทุกข์มันหมดไปเองแล้วมันไม่เกิดขึ้นอา้าวก็คือว่า ต้องมีวิธีการปฏิบัติตามวิธีนี่พระพุทธเจ้าก็มาช่วยเราแล้วพระองค์ปฏิบัติไปแล้วก็ทรงมีพระปัญญาฉลาดก็เลยมาวางวิธีปฏิบัติให้เราทั้งหลักการกว้างทั้งวิธียักยืองไปให้แก่มนุษย์ที่มีความแตกต่างกันไปก็เป็นระบบวิธีปฏิบัติกระบวนการปฏิบัติมากมายทั้งหมดนี้สรุปอยู่ในข้อที่เรียกว่ามาัชนะ ซึ่งมีองค์ประกอบ8ประการมีสมาทิฏิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารย่อได้เป็น3ประการก็คือเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของพฤติกรรมและจิตใจหรือในกระบวนมารจัดประยุกต์เป็นระบบการฝึกมนุษย์ก็เลยเป็นเรื่องของพฤติกรรมเรียกว่าศีลทางกายวาจาและก็เรื่องของจิตใจมีสมาธิเป็นแกนเป็นประธานเป็นที่รองรับการฝึกฝนฝ่าจิตและก็ปัญญาพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลาย ร่วมทางชีวิตของตนเองด้วยนี่แหละโดยการดําเนินชีวิตยอย่างนี้ด้ยการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างนี้ด้ยการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยการเรียนรู้จากมันได้ประโยชน์มันเอามาพัฒนาตัวเองและเข้าไปเป็นปัจจัยที่ดีงามในการที่ใช้ปัญญาไปสนองเจตนาดีในการที่ไปเป็นปัจจัยแก่สิ่งอื่นในโลกและชีวิตก็จะร่วมสร้างสารรคสังคมที่ดีงามก็เกิดสังขะขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ก็จะสําเร็จผลนี ก็เพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อมร์ข้อสุดท้ายวิธีปฏิบัติก็คือภาวนาภาวนาก็คือลงมือทําทําให้เป็นให้มีขึ้นมาตัวลงอันนี้นได้หน้าที่ต่อเริยนสัตว์สประการ น, นะฮะก็ทวนอีกทีหนึ่งหน้าหนึ่งทุกเรามีหน้าที่ปริญญารู้เข้าใจมันเป็นอาวะทุกนั้นเป็นเรื่องสําหรับปัญญารู้ไม่ใช่เป็นเรื่องสําหรับจะเราจะไปเป็นทุกขถ้าใครเรียนอาาริยสัจแล้วเป็นทุกแสดงว่าคนนั้นผิดตั้งแต่ต้นแหละนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนทุกสําหรับให้คนเป็นทุก สอนเพื่อให้รู้เท่าทันมันแล้วจะได้จัดการแก้ไขปัญหาได้นี่โดยมากคนไม่ได้เรียนเรื่องกิจเนิยริษัทเรียนจารีษัทสี4เพราะฉะนั้นปฏิบัติผิดหน้าที่ต่อเริยริษัทเลยไปหมดเลยก็หนึ่งทุกขเรามีหน้าที่ปริญญาต้องรู้เท่าทันทำความรู้จักมันเหมือนหมอจะวินิจฉัยโรค 2. ก, สก็สมุดไทยสมุดฐานของโลกตัวปัจจัยให้เกิดปัญหา อันนี้เราต้องประหารหนะ้าที่คือกำจัดละมันทำให้มันไม่มีทำให้หมดไป 3. นิโรธคือจุดหมายนะหลักการที่ถูกต้องนำไปสู่จุดหมายอันนี้เราจะต้องทำให้เป็นจริงทำให้สำเร็จก็เรียกว่าสัจกิริยาหนะ้าที่ต่อไปข้อสุดท้ายมักเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อจะให้สำเร็จผลบรรลุจุดหมายนั้นแล้วก็กาจัด สมุทยัยสาเหตุของปัญหาหรือสมุทัยของโรคแล้วก็ทําให้ไม่มีโรคไม่มีทุกเกิดขึ้นอันนี้หน้าที่ของเราคือภาวนาคือลงมือทำํนะทำทําให้เป็นทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นนะก็เป็นอันว่าสี่ข้อครบแล้วนี่คือหลักโยงระหว่างพิเศรรษสี่กับกิจต่อริยศรรษสี่นะฮะทีนี้เมื่อเรามีกิจต่อริยศรรษสี่แล้วนะี่เราก็มามองว่าอ้อ สิ่งทั้งหลายบรรดามีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชีวิตของเราเนี่ยแยกได้มันจะเป็นสิ่งสำหรับเรารู้จักกำหนดรู้อย่างแล้วก็มันจะเป็นจำพวกสิ่งที่เราจะต้องกำจัดละพวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดหมายที่เราต้องเข้าถึงนีอย่างพวกนี้และเป็นประเภทข้อปฏิบัติที่เราจะต้องลงรรมือทรอีกพวกหนึ่งใช่หมนั้นก็เอาหลักกิจในนลียนศาสตร์สี่เนี่ยมาจัดประเภทของรม ทำในที่นี้ก็คือทุกสิ่งทุกอยาก่างบรรดามีที่เราเกี่ยวข้องนะมาจัดประเภทได้เลยตามกิจเนิยศาสตร์4ก็เลยเกิดหมวดธรรมขึ้นมาอีกหมวดหนึงนะหมวดธรรมที่แยกเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยเป็นสีปส่ประเภทแต่สี่ประเภทนี้จัดในแง่ความสัมพันธ์กับมนุษย์ในแง่ที่มนุษย์จะปฏิบัติต่อมันเพื่อจะให้เกิดผลดีกับชีวิตและแก่ระบบการเป็นอยู่ร่วมกันระบบธรรมชาติทั้งหมดนะแก่โลกแก่สังคม ชีวิตและโลกทั้งหมดก็เอาเป็นว่านี่นะเอาธรรมะสิ่งทั้งหลายมาจัดตามประเภทอย่างนี้ก็ได้เป็นสี่ข้อก็กลายไปว่าหนึ่งเป็นสิ่งทั้งหลายที่เราจะต้องปริญญานะท่านเรียกว่าปริน ญ, ญ, ญายธรรมนะมีศัรพ์พิเศ้ปริญ ญ, ญายธรรมก็คือธรรมที่ต้องปริญญาอันนี้ก็คือสิ่งทั้งหลายบรรดามีอย่างที่พูดไปแล้วที่มันมีภาวะเป็นไปตามเหตุปัจจัยข้างมันดำรงอยู่ตามสภาพของมัน นะมันไม่คงอยู่ในภาวะเดิมนัม่นหรอกเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็ไม่อยู่ในภาวะที่เราจะเอาตามใจเราได้อันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยสิ่งทั้งหลายเนี้ยพวกเนี้ยเป็นปริญญยธรรมทั้งหมดซึ่งเราจะต้องรู้จักเข้าใจานะเป็นเรื่องของปริญญารัตจารก็ัดไว้โดยย่อก็คืออุปาทานขันห้าเอาอีกแล้วเรายังไม่ได้เรียนขันห้าอีกแล้วนะท่านก็พูดสั้นๆว่าอุปาทานขันห้านี่แหลนะเนี่ยคือเป็นปริญญยธรรม ความที่เราจะต้องรู้จักด้วยปริญญาทีนี้สองธรรมะอีกประเภทหนึ่งคือสิ่งทั้งหลายอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่เราจะต้องจัดการกําจัดมันเสียละมันเสียไอ้พวกนี้ก็คือตัวพวกเหตุของความชั่วร้ายเสียหายสิ่งที่เป็นโทษอันนี้ก็เป็นฝ่ายร้ายโดยเฉพาะก็คืออยู่ที่ในใจของเรา ที่มันเป็นตัวทำให้เจตจำนงของมนุษย์ที่เป็นปัจจัยพิเศษในธรรมชาตินี้มันเป็นไปนในทางเสียหายไม่เกื้อหนุนเกื้อกูลอะไรล่ะนะพอบอกแล้วว่าหนึ่งเจตนาเกิดเป็นเจตนาไม่ดีแย่แหละใช่มมนุษย์เจตนาที่ไม่ดีหนึ่งมีตัณหาเป็นมูลนะเอาแต่ใจอยากของตัวเองเขาว่าแล้วก็สองก็คือลึกลงไปก็คืออวิชชาความไม่รู้ เพราะว่าไอ้ตัวใจตัวดีก็คือเราบอกแล้วว่ามนุษย์เป็นปัจจัยพิเศษที่ว่ามีเจตนาเราต้องการเจตนาดีสองมีปัญญาพัฒนาได้เราต้องการเจตนาดีกับปัญญาให้ปัญญานี่มาสนองไอ้เจตนาที่ดีทีนี้ไอ้เจ้ามนุษย์ที่มันมีปัจจัยตัวร้ายอยู่ในตัวที่มันจะทําให้เกิดผลเสียมันไม่เป็นไปตามนี้ก็คือมันมีเจ้าตัณหานี่มาเป็นตัวปรุงเจตนาใช่ไหมแล้วก็มีอวิชชาคือความไม่รู้ก็สเปสสปะ เอาแต่ตัวรอดเอาแต่ว่าจะทำไงให้ตัวได้อะไรย่างที่ว่าเมื่อกี้เจตนาก็เลยมีอวิชชาเป็นตัวเป็นตัวให้ฐานเป็นตัวให้ท้ายใช่ก็เลยไ่ในทางไม่ดีตัวงก็พวกฝ่ายร้ายนี่มีเยอะแยะแต่ว่าถ้าจะเอาจับเอาตัวหลักก็คืออวิชชาและตัณหาอวิชชาและตัณหาโดยเฉพาะเพราะว่าตัณหาคือความอยากให้ตัวตนคงอยู่ตลอดกาลนี่สําคัญที่สุด อยากเสพอยากบริโภคเป็นการมาตัณหาแต่ในที่สุดแล้วมันมายึดมั่นในตัวตนมีตัวตนขึ้นมาจะต้องสนองเห็นกับตัวจะเอาแต่ตัวรอดจ้าให้เป็นไปอย่างตายตัวทําร้ายคนอื่นเจ้านี่แหละเป็นตัวปรุงเจตนาที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าในจําพวกธรรมะประเภทที่จะต้องละกําจัดเนี่ยเมื่อะเยอะย้ายไปหมดแต่ไอ้ตัวการสําคัญได้มีอวิชาการตัณหาเพรางั้นนะเอานะปรุงเจตนากับตัวความไม่รู้ที่ให้ทาย ก็จะได้เกิดเป็นเจตนาที่เป็นกุศลแล้วก็มีปัญญาเป็นตัวที่จะให้ใช้เจตนานั้นในทางที่เกิดผลดีเกิดกูญอ้าวแล้วสองเป็นธรรมะประเภทที่จะต้องรักกาจัดท่านเรียกกัาปหาตับผัสนะหมวดที่หนึ่งเรียกว่าปริญญาธรรมหมวดที่สองก็เรียกว่าปหาตับรัมต่อไปหมวดที่สามอันนี้เป็นจุดหมายที่พึงบรรลุและนะอันนี้ก็ สิ่งที่เราจะต้องเข้าถึงพยายามสร้างสารรค์ทําให้มีให้ได้ในชีวิตของเราเนี่ควรจะมีจุดหมายอะไรอะไรเป็นความดีงามที่ชีวิตควรเข้าถึงสังคมควรจะดีงามอย่างไรเอออันนี้ก็มีเยอะภาวะที่ดีที่ชีวิตมนุษย์สังคมมนุษย์ควรเข้าถึงนี่เริ่มแต่ชีวิตของเราก่อนก็มีอะไรเช่นว่าเราก็จะพูดถึงความสุขนะความสุขในที่นี้หมายถึงความไร้ทุกข์เลยนะไม่ใช่สุขแบบสัมผัสสุขแบบไร้ทุกข์เลย มีสันติความสงบมีอิสระภาพใช่มมีความบริสุทธิ<ๆ>์เยอะแยะท่านก็ให้สั้นๆว่าสองอย่างบอกว่าในประเภทนี้ก็คือวิชาและวิมุตติวิชาก็คือความรู้แจ้งเลยความรู้แจ้ง แล้วก็วิมุตต์ความหลุดพ้นก็คือภาวะเป็นอิสระชีวิตใจิตใจที่เป็นอิสระจิตใจมันพ้นจากทุกพ้นจากกิเลสเนี่ยมันก็เป็นอิสระเกิดจากปัญญารู้เข้าใจโลกนี้ยังถูกต้องว่าท่าทีถูกต้องปฏิบัติตามันถูกต้องนั้นถ้าก็เอามาว่าตัวแทนของธรรมะหมดนี้ประเภทที่สามนี่เรียกว่าสัจจิกาตัปธรรมได้แก่วิชาละวิมุติ อ้าวทีนี้ต่อไป4ี่ทีนี้ในฝ่ายวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงก็เป็นธรรมะมากมายไม่รู้กี่อย่างที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะอยาอ่างอธิบาต4โพชฌงเจนะหรือว่าปัญญาวุทธิธรรมพุทธิธรรม4นะี่นหรือจัก4มงคล38โอ้วิธีปฏิบัตินี่เยอะแยะหมดนะเนี่ยท่านเรียกว่าภาเวตพธรรมแรื ว, ว่าธรรมที่พึงจเจริญลึถึงลงมือทำ ทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นมาประเภทนี้เพื่อเอาโดยย่อจุดที่สำคัญเลยเพื่อจะให้ชีวิตนี้ถึงจุดหมายเป็นวิชาวิมุติท่านมาจับเอาที่สมถาวิปัสนาสมถะก็คือกระบวนการระบบการพัฒนาด้านจิตใจแล้วก็วิปัสสนาก็กระบวนการพัฒนาด้านปัญญาให้ถึงความรู้แจง้งเป็นขั้นสุดท้ายตอนนี้จะเห็นว่าเออทาไมไม่เอา ศีลหรืพฤติกรรมล่ะใช่ไหมตอนนี้มาจับเอาจุดยอดเลยนะเอาสมถะวิปัสนาเนี่ยเป็นอาพาเวตับพธรรมแต่ที่จริงก็คือกว้างหมดคลุมไปหมดจะมาสมถะได้ต้องพัฒนาพฤติกรรมได้นะด้วยวิปัสนาปัญญาก็เหมือนกันนั้นโยงกันไปแต่ว่าจับเอาจุดสําคัญก็ไปเอาได้ธรรมะ4ประเภทหรือ4ี่หมวดนะตามหน้าที่ต่ออายัดหนึ่งเรียกว่าปริญญายธรรมธรรมที่ถึงกําหนดรู้รู้เท่าทัน รู้เข้าใจมันนีแล้วก็สองก็ปหาตประธรรมทำที่พึงละพึงกําจัดทําให้หมดไปทําให้ไม่มีไม่เกิดขึ้นแล้วก็สมสัจชิกาตประธรรมทำมาที่พึงทําให้แจ้งทําให้สําเร็จบรรลุเข้าถึงและก็สี่ก็ภาเวตประธรรมรำมาที่พึงจเจริญทําให้เป็นให้มีคือปฏิบัติลงมือทำนี่สี่ประเภท ปริญญาธรรมธรรมะที่พึงกำหนดรู้ท่าบทันได้แก่ปาทานคันห้าก็รวมทั้งลูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั่วไปหมดที่เราจะต้องรู้จักที่มันอยู่ตามภาวะของมันไม่ขึ้นแต่ปรารถนาของเราแล้วก็สองก็ประหาตปธรรมธรรมะที่พึงละกําจัดนี่ก็ได้แก่สิ่งที่เป็นมูลเหตุของความชั่วร้ายทั้งหลายซึ่งตัวสําคัญก็ได้แก่วิชาภวตัญหาแล้วก็สม ส่วนตัวจุดหมายที่ดีงามที่พึงบรรลุถึงนั้นนะซึ่งมีหลายอย่างพูดได้หลายแบบในสุดท้ายก็คือนิพพานแต่ในที่นี้ฉันใช้ศัพวิชาและวิมุตินะแล้วก็สี่าเวตัพรธรรมธรรมะที่พึงเจริญพึงลงมือปฏิบัติลงมือทม ก็มีมากมายเป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนาศีล ส, สมาธิปัญญารวมตั้งแต่วินัยเป็นต้นไปแน่แต่ว่าเอาจุดสําคัญตัวที่จะให้ถึงจุดปลายยอดเรียกว่าสมถะและวิปัสสนานแต่ต้องเข้าใจความหมายของศัพท์เหล่านี้ให้ถูกต้องเพราะบางทีคำว่ามสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีก็ไปเข้าใจกันผิดพลาดยุคหนึ่งถึงก็เข้าใจวิปัสสนาเป็นนั่งทางใน <c oughs> เห็นหวยเบอร์ไปเลย <c oughs> <laughs> อันนี้ก็ไปไกลเป็นความเคลื่อนคลาดใน สังคมไทยเราเองนะสังคมอื่นเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างนี้หรือเขาไม่ทันจะเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นอันว่าก็จบอริยสัจอีกด้านหนึ่งนะทีนี้ปริญญาธรรมก็คือเรื่องของทุกข์นั่นแหละพูดไปพูดมหานะแล้วก็ปหาตัปธรรมก็เรื่องของสมุทยัยชาติการตปพันคธรรมก็เรื่องของนิโรธแล้วก็พาเวตปัธรรมก็เรื่องของมรร เป็นนั้นว่าคิดว่าจบกันทีเรื่องอาเียนสัตว์สี 4, นะฮะถ้าทีนี้มีอะไรสงสัยไหมครับ เ, เกือบสี่โมงแล้วนั่นเนี่ยมีไหมครับขอสงสัยถ้าสุปสันโดต้องการเรื่องนี้ใช่ไหมครับแล้วจะเอาพอจะใช้ได้เปล่าใช้ได้จะเข้าใจนะฮะไม่มีอะไรนะฮะไม่มีเราก็จะได้หยุดกันก่อน